ล อ, องทมเพื่อเป็นการประกอบกับการศึกษาปฏิบัติอาศัยการได้ยินได้ฟังบ้างอาศัยการกระทำใีความเพียรมีสติประคองตั้งไว้ตั้งให้มั่นขันให้เหนียวจับให้มั่นขันให้เหนียว โดยเพราะในเตศการเข้าพรรษาเป็นเอกลักษณ์ของนอกบวดเราหรือว่าเป็นอุรม์คติของนอกบวดเราปฏิบัติธรรมในสุดพริเมื อ, อวานก็ผ่านไปทางวัดโมกอกอกอกปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์กัน เทียบทางวัดเลยฉันข้าเมื่อเดียวมันพวกเราเนะี่ยตอนก็ฉันสองเมื่อก <c oughs> ็เป็นการพัฒนาวัฒนธะทรให้พรมชาติเจริญงอกงามชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นพร ม, มันต์ ให้เกิดบริสุทธิ์สินบริสุทธิ์สินอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิงน่งมีสติอันยิ่งขึ้นไปห <c oughs> ล่มลึกลงไปเรื่อยๆพราะธรรมของพระศาสนาของเราเนี่ยมันหล่มลึกเหมือนทะเลลึกลงไปลึกลงไปดูดดื่มลงไปดูดดื่มลงไป แจะลงไปลึกก็ลึกแจะขึ้นฝังก็ขึ้นฝังได้นัําเพียงปากน้ําเพียงคอน้ําเพียงอกน้ําเพียงเอวนั่งเพียงต้นขานั่งเพียงหัวเข่าน้ําเพียงนอกเขาก็รู้สึกว่ามันสบายกว่ากันไปเรื่อยๆนั่งเพียงเข่ามันอาจจะดีกว่าน้ําเพียงปากน้ําเพียงคอเขาก็เลา ข่มโอคะห่วงน้ำเคยกิเลตนะต่ตงาตงๆเราก็พิสูจน์ได้มันจะเพียงไหนเบาว่างหรือยังสากสว่างหรือยังมีสติหรือยังในความรู้สึกในความรู้ได้กับการใช้ชีวิต <c oughs> ต่างเก่า <c oughs> ผลเพราะเก่า ได้บ้างเพราะมีสติมันตรงพ้นหรอถ้าลงมันจะไม่พ้นแต่ถ้ามีสติมันพ้นได้ความลงก็ถ้าจะพูดแล้วก็คือสังขารตัวรูปตัวก็คือวิสังขาร เรใกล้ๆมือเราใกล้ๆตาเราสังขารคือการปรุงวิสังขารกันไม่ปรุงการไม่ปรุ ง, กรรงก่ก็คือนิพพานวิสังขารเนี่ยมันก็อยู่ในกุ๊ปเดียวกับนิพพานก็จับปับ๊บพอไปมันก็เข้าข่ายในตองแหว่ข่มคดเขี้ยวที่ไหน เข้าไปตรงเลยมันเราเดินทางสายตรงไม่ต้องเสียเวลาเราสังขารคือปรุงวิสังขารคคอไม่ปรุงเราก็ทำโดยมือของเราโดยฝีมือของเราเห็น้วยตาเราเห็นกับตาของตัวเรามาเราทำอะไรที่ทำโดยมือของเรา สร้างบ้านขึ้นตีตะปูด้วยตนเองเมื่อตีแล้วก็ น, นั่งด้วยตนเองมั่นใจว่าตัวเองตีตาปูสามตาปูสี่นั่งได้ห้อยแขนได้ <c oughs> ถ้าตาปูลุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีถ้าขณะที่นั่งตีธรรมดาไม่ใช่รับน้ำหนักหลังก็ยกเสา เสาลม้มทับผาขาพระขาหักอั น, นันมันเลวิสัยเจเลวิ้ัยของพวกเร า, าเฉพาะเราทำเองใช้เองเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเสาไม่น้ำหนักอยู่ในท่าที่มันจะต้องหลุด วิตขอเราก็เหมือ น, นกันถ้าเรามั่นใจตัวเองว่าในสติห์เหล็กหัวใส่ยกมือสร้างจังหวะเวลาใดที่มันคิดเวลาใดที่มันหลงมันเป็นบทเรียนมันเห็นความหลงชัดเจนการเห็นความหลงชัดเจนนัน่นก็จะเกิดปัญญาตรงนั้นก็ได้เห็นความทุกข์ชัดเจ น, นก็จะเกิดปัญญา การเห็นสิ่งไหนที่มันเห็นแจ้งน่ะก็เป็นเป็นวิปัสสนาย่อยย่อยน้อยน้อยหรือว่าเป็นกระแสของวิปัสสนาย่อยย่อยการเห็นอะไรที่มันเห็นแจ้งแจ้งความกลัวก็เห็นจริงๆเห็นความกลัวความโกรธก็เห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงจร ความทุกข์ก็เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆความหลงก็เห็นความหลงที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆนักใครจะไปเชื่อมันแต่เห็นจริงๆด้วยกับตาของเรา <c oughs> มันจะจับได้ไล่ทันแน่แต่คนพูดความจริงคนพูดเท็จเราก็ได้ยินกับหูของเรา เราจะไปถามใครอีกการที่จะเห็นตัวเราที่เป็นบาปที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นความโง่โอ้เราเสี่ยงบางสี่ยงมันพาให้เราโง่มาติดปุรีติดเล่าพอมาเห็นจริงๆแล้มันไม่มีประโย่อะไรแล้วก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรในเล่าในบุหรี่ถ้ามันเห็นอารมณ์เห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงจฉียงๆมันก็ไม่มีอะไรในความโลภความโกรธความหลงเราเกิดวิลาขะย่างขายไม่ต้องอดเลยใครเห็นอย่างเช่นใยังอดอยู่ยังใช่ไม่ได้ <c oughs> คือไม่ <c oughs> คือไม่เห็นแจงยัง้องฟางทำเห็นเจนแกงแล้วมันไปแล้วหันหลังให้แล้วนะกันทีบอกเลิกกันทีหันหลังให้กันได้เป็นเห็นขันห้า <c oughs> เห็นโลกเวท น, นาสัญญาสังขารเป็นบิญอย่าง <c oughs> ที่ัน <c oughs> ทำหน้าที่ของขันของพวกเขาแต่ว่าคนห้าคนเขาฝยันเป็นอุปท า, านยื่นให้อุปท า, านอุปาชาอุปท า, านไปรองรับเอา เรียว่าอาวิชชายในโลกก็มีวิชายในเวทนาก็มีอวิชชายูในสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอวิชชา <c oughs> ลองรับแต่ถ้าอยู่ไปอยู่ไปดูไปดูไปมันมีวิชาไปลองรับไปลองรับกับโลกมีวิชาไปโลกไปเห็นกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เราก็เห็นเห็นความเป็นป่าเถื่อนของอวิชชาเห็นของจริงของขันหน้ามันเห็นมันก็บอกเลยหยุดมันก็ว่าคนห้าคนเนี่ยวางงานลงเดินกลับบ้านหลอกคืน เบบ ด, นดนินกับหวานแต่ก่อนมันหมุนหลักิดนอดมันนอดนอดมันหวานนอดมันหวานนอดมันลื่นมันไม่ติดหมุนทลายก็ไม่ติดเวทนาจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ติดแต่ก่อนเวทนามันทําให้เป็นสุขเป็นทุกข์หันก็ดนอดที่มันไม่เกี่ยวมันไม่หวานมันก็ติดหมุนทลามันก็ติดสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์ก ตอนนี่มันไม่ติดมันหวานไปมันลื่นไปเวทนาก็ลื่นลื่นไปไม่มีรสชาติอะไรพอทิ้งทิ้ ง, ยนะงอยู่นะทิ้งเคเร่อยู่นะแต่ก่อนโอ้ไม่ค่าเวทนาค็อ เ, เรื่องของเราสุขก็เป็นเรื่องของเราทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราสัญญาสังขารวิญญาณมันมีรสชาติติดเดือด เวทนาติดสัญญาติดสังขารติดวิญญาณเป็นรสชาติพอมันมันจืดหรื อ, อรว่ามันจืดหลวงปู่เทียนว่ามันจืดมั น, ด น, ด น, นมันเด็กน้อยเด็กน้อยเหรอก้นมันแดงๆเอามือไปแตะก้นมัน ไปมือไปแตะพอนัมนมันจืดเลือดมันไหลออกมันเห็นลอยมือหรือ ม, มันเหมือนเราเหยียบดินทรายใกล้น้ําพอเหยียบไปมันจืดน้ํำไหลหนีบมันจืดก็ดอาจจะเป็นรสชาติดีกว่ า, ร ถ, ดนดน า, วารถอื่นเช่นเขาโว่ารสทหารเนี่ย รถอะไรก็ตามแต่ว่ารถจืดดีที่สุดรถจืดจื ด, จดดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ยก็ถ้ามันจืดมันเรี้ยวมันหวานมันก็ไม่ขึ้นอะไรมันก็เป็นอิสระไม่มีอะไรติดความสุขความทุกข์ก็ไม่ติดความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ติดความรักความชังก็ไม่ติด มันก็มันก็เป็นโลกโลกที่ไปมีรถโลกที่ไปมีรถชาติต่ว่าโลกโลกก็คือรถ น, นะโลกก็คือรถเนื้อโลกคือไม่มีรถนะตัวปฏิบัติเนี่ยตัวเจริญสติเนี่ย มันพาให้ลื้อถอนเป็นสูตรลื้อถอนถอนตนเองออกถอนตนออกให้เหลือแต่ขันรุ่นรุ่นเหนือแต่รูปรุ่นรุนเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรุ่นรุ่น <c oughs> ก็เลยได้ใช้ใช้ขันรุ่นรุ่น พระลูกก็เป็นมหาปุตลุลูกเป็นลูกอาศัย <c oughs> อาศัยเพื่อใช่เมตาก็ใช่ตาเมหูวก็ใช่หัวเมจมูกมเมลิน่นเมตายเมใจแต่ก่อนมันใช่เราตามันใช่เราหูมันใช่เราจิตใจมันใช่เราเฉพอจิตใจมันใช่ให้หอปักหมอปั๊มไป คืนว่าฝันกลางวันว่าคิดกลางคืนเป็ น, วนควันกลางวันเป็นเปลวลงไปเรามาดูดีๆเราจะตกเป็นธาตุของมันไปทางไหนเราจะเป็นเคื่อข่ามันไปทางไหนเราไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้เลยไม่หยุดเลยพ า, ายจารยาร์วิสารบอกว่าการพัฒนาอาจริงๆก็คือหยุดนะหยุดคนะหยุดอะไร ยุดทุกอย่างเป็นแต่กิริยาทางานทําการก็เป็นกิริยาหลับนอนเป็นกิริยากินข้าวเป็นกิริยาอาบน้ํำขับถ่ายเป็นกิริยาการพูดการจาก็เป็นกิริยาเป็นกิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมเหนือ <c oughs> <c oughs> กรรมนี <c oughs> ป่ประธนา สติเนี่ยความรู้สึกตัวนะพยายามสร้างใส่ใจดิกหัวใส่ให้มั่นใจทําด้วยความมั่นใจทําด้วยความเห็นยิ่งรู้จริงเห็นจริงจริงเกื้อมันไว้รู้จริงจริงรู้ยิ่งเยี่ยมไม่ใช่รู้ แ, แบบแห่งแรงตรงเครียด เลวเบอเบาเลวเบอเบาเนี่ยลถของพระธรรมหรือว่าพรมไม่จันต้องจะต้องละลู่สึกตัวเรามก็ละความชั่วถ้าลู่สึกตัวแล้วมืนก็ทําความดีถ้าลู่สึกตัวแล้วจิตมันก็บริสุทธิ์มันก็ถึงพรมไม่จันทันทีด้วยกำมือของเราทันที ผงไม่จันอยู่กับการถือมือก็รอมันเราอุ้มลูกมันจะหลุดไปไหนแม่เลี้ยงลูกก่อนด้วยมือของตัวเองนะมันจะไปไหนดูแลมันด้วยันก็ลูกก็จเจริญเติบโตได้ชีวิตขึ้นมาพ่นปากแกล้งปากกาปากหมูปากมมาสวยตัวยังได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน การทําด้วยมือของเราหลู่เอาเผยตัวเองมันหลงก็แจ่อเองมันผิดก็เปลี่ยนเป็นถูกก็เองมันคิดก็เปลี่ยนเป็นรู้ก็เองมันยังไงทั้งนั้นเดี๋ยวเราคงรู้จักตัวไปเป็นตัวเฉลยกายใจไม่มีอะไรที่จะเฉลยไม่ได้เป็นสูตรเฉลยกายใจ จะมีโจย์เกิดขึ้นกับกายกับใจเท่าไรตัวสติเข้าไปเฉลยได้หมดตัวสติเนี่ยเข้าไปเฉลยไ ด, ด้มัก็เป็นสูตรหนะึ่งสูตรย่อยสูตรเฉลยไม่มีโจย์ไม่มีการบ้านพอมันทําเสร็จแล้วปิดปิดบันเค ปิดบัญชีทุกปีทุกปีเหมือนวัดป่าสุโกโตหรอมีการปิดบัญชีทุกปีทุกปียกบัญชีเก่าไปเข้าบัญชีใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบทีมเราก็เป็นเชนัแนแต่ต้องมีการบ้านข้างคา บางทีสามสิบปียังมีการบ้าน4ี่สิบปีมีการบ้านไม่เสร็จสากนเพราะวงเรียกว่าปลาปลิป ร, ป ร, ร, ป ร, ริโพด ต, ตุกไก่ไรทางติดคนอยู่ใคยอยู่เมืองก็คิดถึงเมืองคนใคยอยู่ป่าก็คิดถึงปา่าคิดถึงตุ ก, กัน ถึงชนบทถึงเมืองถึงที่อยู่อาศัยถึงอาหารถึงที่เที่ยวที่เล่นตึกไปไม่ไหวตึกถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงแม่ตึกไปเรว่าปาิโคตรปิโมันก็โซมันค่องเอาไว้โซไม่แก้คุณแก่ก็ไม่ได้ไถมันก็ไปไม่หล่อ เราจึงปล่อยรู้สึกตัวมันก็ปล่อยตัวเ อ, เอาความรู้สึกตัวไปก่อนอะไรอะไรจะเป็นตายไล่ดีก็ต้องเอาความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้แม้จะมีเหตุมีผลทุกเกียนตายก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้ ไม่จตจะง่วงเหงาหอนนอนหอบปัดหอบเวียงก็เข้าข้างความรู้สึกตัวไว้อย่าหมดตัวเแล้อไว้บ้าเหลือไว้บ้าเข้าข้างความรู้สึกตั ว, วบ้ให้มีความรู้สึกตัวไปแทรกซึมอยู่กับชีวิตทุกอย่างเ อ, อวะวันนิดใส ขอให้เป็นเนิสัยเป็นปันจจัยเพื่อได้บรรลุมรรคผลในผ่านในอนาคตการเรื่องหน้านี้อย่าเป็ น, นโน้นมันไกลจะโน้นหรือมันไกลเอา น, นี้เนี่ยก็ชี้แบบนี้อะโน้นมันไกลเอาให้มันมีความรู้สึ ก, ก น, นะเหมือนพระอ น, อนุนปฏิบัติธรรมขออีกสงชั่วโมงขอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงขอเวลาอีก สามสิบนาทีมันมั่นใจพอเราลู่สึกตัวมันจะมั่นใจขนาดไหนคนลู่สึกตัวอยู่คนลู่สึกตัวอยู่ไม่ได้หลงไปไหนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจลู่เท่าลู่ทันลู่เท่ามันเคลีร์ข้างหนึ่งกับลู่ข้างหนึ่งมันหลงข้างหนึ่งก็โลู่ข้างหนึ่งมันหลงสองข้างกับลูมันสองข้างมันเคลียรเท่าไรเท่าไรลู่เท่า รู้ทันด้วยไปไม่ได้จีวาเอาขึ้นมาไปไม่ได้จีสอบเอาขึ้นมาไปไม่ได้จีคืบเอาขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาเก่งในทางกลับขึ้นมาไปได้เก่งทางไปตัวจริงๆคือตัวปฏิบัติคือกลับขึ้นมาปฏิคือกลับคือโทษตอบคือกลับมาได้กลับมาได้เมื่อเรารักษาของ จะอะไรไปทำไมอ่ะเอาขึ้นมาเข า, าก็ไม่หายไม่เสียหายฮังกหลี่หนึ่งเอาเทปวางไว้เห็นโกงถอใช่แล้วเลยไม่เจ็บมีคนขับรถมามาจอดเดินดูโน่นเดินดูนี่ แล้วก็ เ, เทปถือไปไปขึ้นรถน้องปูความเสียงก็บอกเอาเทปไปได้เอาเทไปนะเเทไปทําไมเอาขึ้นม า, าขึ้นมาเขาก็วางเทปลงข้างๆรถขับรถหนีไปเขาเลยไม่ได้เทพเราเรียกตัวโตโตกเอาขึ้นมาเาขึ้นมาเอาไปทําไมวางเทไปไว้ขับรถยนต์รถอ่ายี่ห้อ มีสูมมสีสิสีดำดำมันร็นลดผู้หลงเลย ว, วิ่งจนไปเลยเลยมันเลยไม่ได้ถ้าเราด้วยวัยถันเอาไปเลยมันเอาเสียไปเลยหมดเนื้อหมดตัวจนอยู่ตลอด <c oughs> จนใจ <c oughs> เรียกว่าจนใจไม่มีไม่เนิบมั่งมีสักที <c oughs> คือจนแล้วก็จอรนไม่มีหลักนี่แหละเรียวว่าเวอะไรอ่างทองหมุก ม, มุนคนคิดไปเช่แหละแต่เราลู้สืบตัวเนี่ยโอ้เป็นเสาเขื่อนไม่ใช่เสาหลักตะคียนโกลนเสาเขืเข่อนที่มีความเช้มแข็ง ในทั่ว <c oughs> ปฏิบัติที่เราทำหนาะมันเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาจดดอกสิ่งที่พระเจ้าพาพวกเราทำมันเป็นกอบเป็นกรมเหมือ น, นกับเราทำนาะทำสวนกันแล้วไปบ้างละอ่าแม่นว่าไม่ได้อะไรไม่เกิดขึ้นเราก็ได้คุ้นเคยแล้วเห็นปมไม่ประเทศเห็นอ่าขอบเขต จุดอ่อนจุดแข็งของไร่ของนาเรามันเราเดเนเเราทำปลูกป่าจุดอ่อนมันอยู่ฝังคลองตรงนั้นมันต้นใหม่ที่ปลูกเราสายยางไม่ถึงรดน้ำไม่ถึงตายนั้นวันนี้ถ้าเอาเล <laughs> ืองถึงซ่อมต้นหม่อย อสองร้อยสองร้อยต้นร้อยต้นเอาต้นไหวหวานถ้าฝนมันตกเราก็ให้มันทันปีทันเดือนแต่นาแรกมันจะได้อย่างลากลึกลงไปบ้างจะได้เอาตัวหลอดถ้าปลูกล่าเกินไปก็ก็ไม่ค่อยดีไปปลูกซ่อมเอาต้นตะเคียนทอง ไปขอต้นน้อยก็ไปขู่ไปผิดกันครับเขาเขาจะให้ต้นเล็กๆอ่าอะก็ว่ามันทําเล่นๆหรือทํำอะไรอย่าทำเล่นๆทําให้มันจริงจังถ้ให้ก็ให้ของที่มันจะเป็นประโยชน์ที่มันจะดีได้ไม่ใช่ให้เพื่อเอาปริมาณนะหลวงพ่อไปเอาหรอหลวงพ่อจะหามันทั่วประเทศมันจะไม่มีหรือต้นใต้ใหญ่ๆไม่มีใครที่จะให้เลย แลไม่ใหญ่ในอว้ยทำไมเขาจะให้เจ้านายเพราะถ้าให้แต่เจ้านายเนี่ยประชาชนชาวทั่วไปปลุปกเขไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยนะหลวงพ่อมาได้เป็นเจ้านายหลวงพ่อทําอะไรจริงได้ตนนี้ถ้าจะขายก็จะซื้อนะขายต้นกี่บาทเ ข, ขาบอกว่าไม่ขายแต่ไม่ขายทําไนจริงจะได้ เจ้านายไม่ไปปลูกามาันจะเป็นยังไงเห็นเขาไปเท่งแถวปากช่องสมัยก่อนตอนไม้ที่เขาไว้ให้เจ้านายเจ้านายไม่ปลูกผลมาเท่งกองโอ้ยเรามาปลูกหน้าผาไปผลมาปลูกหน้าผานะเราไปทันพอดีมาปลูกหน้าผาทางขึ้นเขาปลูกไปเรื่อยๆทุ่มหัวเร็้อเรื้อเลยวันนั้นเราก็ได้ทําให้มันดี หัวห น, น้าอยู่ไหนหลวงพ่อจะไปพบหัวหน้าลองดูโ อ, โอก็ทงานหนูจะโทรไปถามหัวหน้าหัวหน้าจะให้ไหเราลองก็โทรไปถามของพ่อองพ่อมาจากไคภูมิมืกนออมใทานชเลยได้ต้นไม้ใหญ่มาเอ่อไม้สีต้น ถ้าคิดแล้วก็เท่ากับซื้อต้นหนึ่งก็สี่บาทห้าบาทอ่ารถค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าคนขับ อ, อ๋อคืเราปลูกเลยวก็เป็นหมื่นแล้วค่าตนา้นไม้เราก็ไม่ได้ค่าเองลรวก็ค่าน้ำมันไปขนหรอกเพราะนั้นนี่ก็อยากจะให้ปลูกซ่อมเอาต้น ตะเคียนทองเอาต้นที้เหล็กต้นใหญ่ต้นยุงอย่าเอาไปปลูกมันเล็บเดียวเลี้ยงไว้ก่อนต้นที้เหล็กเนี่ยรับรองว่าเป็นป่าภายในปีเดียวไปปลูกฝั่งโน้นแหละซ่อมปลูกให้หมดเลยต้นขี้เหล็กถ้าผมก็จะไปประชุมที่เชยาปูเราไปไม่ได้ปลูกด้วยไม่จะไปสานหรอก